ัชาปนี้มันก้มงมันมงงให้รูปกายก็ให้รูปกายในกายรูปจิตให้รูปจิตในจิตอย่างนี้ที่เรายังไมนเคยปฏิบัติมาแล้วเลยวินคํำพูดเช่นนี้เราคงงงอย่างนี้งงพระวินัยนี่คนมันกันสมัยก่อนผมเคยเป็นครูเรียนเคยเป็นครูนน้อยไม่มากหรอกทาไมที่นีกว่าครูนอยคือครูไม่ได้ปฏิบัติ สอนเจ้าพระวิณายแต่ว่าไม่ไม่ปฏิบั ต, ติตามพระพิณายเรียกว่าครูน้อยครูมีสมบูรณ์ใหญ่ไกลมากงั้นเกิกดกำเนิดดินอะไรเรื่องสวีมา ย, าย <c oughs> ฉะนั้นผมจะขอให้ความเห็นพระที่สุดทั้งหลายนั่นน่ะการปฏิบัตินั้นเราจะรู้พระวินัยโดยชิ่นเชิงไม่ได้ ก็าวางสิ่งรู้ก็เป็นอาวัตไม่รู้ก็เป็นอาวัตอย่างนี้มันก็เป็นของยากแต่ว่าพระในนัยนี้ท่านก็จังชับไว้ว่าถ้าหากว่ายังไม่รู้สิกขาบุตรไรข้ออัดอะไรก็ให้สิกขาศึกษาให้รู้สิกขาบุรนั้นด้วยความพยายามจงรักภักดี ต่อพระวินัยเนี่ยถึงไม่รู้ท่านก็ให้พยายามศึกษาข้อนั้นให้รู้ถ้าไม่เอาใจใส่เป็นอาบัติอีกเป็นอาบัติอีกขึ้นว่าอ่าสงสัยนี่ครับ ที่เราสงสัยถ้าเราสงสัยอยู่นะสงสัยอยู่เป็นผู้หญิงสำคัญว่าผู้ชายเขาไปจับเลยครับงนี้สงสัยอยู่ เ, าเขาไปจับมันก็ยังผิดเลยครับแต่ผมก็เคยคิดว่าเอ๊ะไม่รู้ทำไมมันผิด เมื่อเมื่อมานึกถึงการภาวนาเราผู้ปฏิบัติจะต้องมีสติจะต้องคิจรนนารณาจะพูดจะจา จ, จ, จ, จะจับจะวายทุกอย่างต้องพิจรณาก่อนไห้มากที่เราพลาดไปนั่นเพราะเราไม่มีสติหรือมีสติไม่พอหรือไม่เอาใจใส่ในนิลานั้นเช่นว่าตะวันมันยัง5้าโมง แต่เวลานั้นฝ้าฝนตินฟ้าอากาศมันคืบไม่สามารถที่จะมองเห็นตะวันได้ไม่มีนาฬิกาอย่างนี้เราปรคิดประมาณนะว่าวันได้ประมาณห้าโมงเราคิดว่ามันจะบ่ายเลยระยมื่อไหร่ ท่นจะยังไม่บ่ายนอนคิดเนยมีความรู้สึกอย่างนี้จริงๆทางจิตใจของเราที่ว่าสงสั ย, ยไม่รู้นี่าสงสัยนี้เราข็ฉันจังหารฉันอาหารพอฉันไปพักหนึ่งก่อนเสียงสว่างของฟาคิดมันเกิดขึ้นมา ก็ได้ห้ามงกว่านะครับนี่ก็เป็นอาวัดรแล้วครับผมก็มาคิดในใจผมว่าเอ๊ะมันก็ยังไม่เกินเที่ยงทำไมเป็นอาวัตรท่านปรับปรับอาวัตเพราะแบบถือหรือไม่เอเื้อเฟื้อไม่พยยิจารณาถีทุน่นนี่เองครับ ไม่สังบอลไม่สังรวมนี้ทำไมต้งเป็นงั้นแหละถ้าหากว่าสงสัยแล้วทำอยู่อย่างนี้อันนี้ดีสิมันหนึ่งตะวันยังไม่บ่ายท่านปลับประวัติทุกคนเพราะว่าสงสัย สงสัยบาไหวแต่ว่าความจริงมันไม่ไหวไปโทกอยู่แต่ควบปรับปรับอาวัตตอนนี้เพราะอะไรอันนี้ผมผมผมพิจนารณาแล้วปรับเพราะไม่สังวรระวังประมาณถ้าว่ามันบหวไปแล้วนะ่ะจะทำไงสงสัยอยู่ครับกูเป็นอาวัตปัจจิตีเท่านั้นนี่ ถ้า ป, ปรับอวบัดทุกด น, นี้ดีกว่าปรับที่ว่าไม่สังบอลสังรวมนี่ท่านเจริญจิต ส, สัยอยู่จะถูกก็าตามจะผิดก็าตามต้องอวบัดถ้าหากว่ามันถูกก็ปรับอวบัตหย่อนลงมาถ้าหากว่ามันผิดปรับอวบัดอย่างเต็มที่เลย น, นี่ฉะนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องพอดนายนี้ครับฟั่นเฟือมากมลนเกิดผมเคยไปนั่งเรียนท่านอรจารย์มั่นในเวลานั้นเรากำลังจะเริ่มปฏิบัติแล้วก็อ่านผู้ประสิิขาไปว่าง คนใจคนทุกปวที่นี่ไปอ่านที่สุทธิมั่ท่านมาพูดถึงท่านมาพูดถึงสีลานิเทศสมาธินิเทศแล้วปัญญานิเทศพีสากผมมันจะแตกเลยอ่านแล้วอ่านแล้วก็มมพิจรนารณาโดมนุษย์ทำไม่ได้ ทำไม่ได้แล้วผมก็คิดไปที่ว่าอันที่มนุษย์ทำไม่ได้นั้นนะพระพุทธ เ, เจ้าท่านไม่สอนเนอะท่านไม่สอนเนอะท่านไม่บัญญัติเพราะว่ามันสิ่งนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อท่านและก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอืน่นด้วยทิ่งที่อะไรใครทำไม่ได้ พอมาคิดท น, นี้ก็นึกเมื่อก็มีปัญญาคิดต่อไปอือย่างนี้เพราะว่าศีรานิเทศครับแหมมันละเอียดมากที่สุดเลยแล้วก็ปัญญาสมาธินิเทศเนี่ยมันก็ยิ่งละเอียดเลยลนะปัญญานิเทศก็ยิ่งมากจนกว่าเรามานั่งคิดดูนี่นนะไปไหม่ๆกนะันน ไม่มีทางที่จะไปค่ายไปไม่มีพ้นทางกันจบรงแล้วมันมีอะไรจะไปแล้วไ ม, ไม่มีอะไรจะทำได้อพอดีถึงคราวนั้นก็กำลังกระเสือกกระสนเรื่องปฏิปชาของตนอยู่ก็ติดอยู่อย่างนี้พอดีก็ไปกราบเรียนในปนวมัตมีโอกาตไปนวมัตสการท่านอาจารย์มั การของผมมีปฏิบัติใหม่แต่ก็ไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรมีความอะไรสงสัยมากยังไม่หลักยังไม่ในดักในการปฏิบัติเลยคองเราแต่ว่ามันเป็นยังไงผมหาทางก็ไปหยิบหนังสือพิสุทธิมารคขึ้นมาอ่านในเวลานี่ มีความรู้สึกว่ามันจะไปไม่ไหว แ, แล้วเพราะว่าเนื้อความในศีลานิเทศสมาธินิเทศปัญญานิเทศนั้นรู้มันไม่ใช่นิสัยของมนุษย์แล้ว้พมองเห็นว่ามนุษย์ทั่วโลกนี้ ม, มันจะทำไม่ได้ครับไม่ยากบาง กำหนด ท, ทุกทุกสิขาบทนี่มันมันไปไม่ได้มันเหลือนิสยัยซะท่านก็เลยพูดว่าท่านอของนีมันมากกว่าจริงรับท่านบันสต่งมันน้อย ถ้าเราจะไปกำหนดทุกๆสิขาบทศิรานิเทศนั้นน่ะมันก็ยากมันก็ลำบากจริงๆแต่ความเป็นจริงแล้วน่ะที่เรียกว่าสิรานิเทศนั้นมันเป็นนิเทศอันหนึ่งนนซึ่งมันย้า ย, ายออกไปจากอิตใจของคนเรา ถ้าหากว่าเราอบรมเราอบรมจิตเรานะให้มีความอายมีความกลัวต่อความผิดทั้งหมดนั่นแหละก็จังจะก็จะเป็นคนสำรวมจะเป็นคนสังวรจะเป็นคนระวังเพราคนกลัว ว่าเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นเหตุที่ว่าเราจะเป็นคนถี่มักน้อยแต่เราจะไม่เป็นคนถี่มัดมากเพราะว่าเรารักษาไม่ไหวถ้าเป็นเช่นนั้นสติของดอมมันจะกล้าขึ้นมันจะตั้งสติขึ้นจ่ยืนจะเดินจะนั่งจ่นอนที่ไหนมันจะต่างอกตั้งใจมีสติเต็มเปี่ยมเสมอมันวัง แค่ความระวังที่มันเกิดขึ้นมานั่นแหละถ้าอันใดที่ว่ามันสงสัยอะไรอย่าพูดมันเลยอย่าทํามันเลยที่เรายังไม่รู้จะต้องถามครูบาอาจารย์เสียก่ อ, อนถามครูบาอาจารย์แล้วก็รับฟังไว้อีกก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่ามันยังไม่เกิดเฉพาะเจาของน ถ้าหากว่าเราจะไปกําหนดทุกประการ น, นั้นลบเราจะเห็นว่าจิตของเรายอมรับหรื อ, อยังจิตของเรายอมรับหรื อ, อยังว่าไอ้ทาผิดมันผิดทําถูกคนถูกอย่างเนี้ยยอมรับทุกฝ่ายคำสอนของท่าน อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ว่ใจไปรักสาสิขาบททุกๆข้ อ, อเรารักษาจิตอั น, นเดียวเท่านั้นพอแล้วอะไรทั้งหมดที่ท่านไปดูน่มันขึ้นต่อจิตถึงนั้นถ้าท่านยังไม่อุรมค์จิตของท่านให้มีความรู้มีความสะอาดนั้น ท่านจะมีความสงสัยยจงมีเรื่อยไปเป็นที่จิตอย่างนี้ตลอดเวลานะดังนั้นท่านจึงรวมธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้ที่จิตฉั้นรวมอยู่ที่จิตอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วว่ามันสงสัยอยู่อย่างนี้เลิกมันถ้าไม่รู้แจ้งเมื่ อ, อไรได้เป็นต้นอย่าพึ่งทํามันอย่าพี่พูดมัน อย่างเช่นว่าอันนี้ผิดไหมหนอหรือไม่ผิดนออย่างนี้ถ้ายังไม่รู้ตามความเป็นจริงเรื่องอย่าทำอย่าไปพูดมันอย่าละเมิดมันนี่เพราะว่านั่งฟังมันก็เข้ากับธรรมาิที่ว่าทำนั่นที่ถูกต้องคำสอนของพระพุทธเจ้าทำอันใดเป็นไปเพื่อความ สะสมชสื่นทุกรู้ทำอะไรเป็นไปเพื่อความประกอบทุกทำเราใดเป็นไปเพื่อความมากมากเป็นไปมีความไม่สัโดอวกดีในของที่นี่อยู่นะเนี่ยจะเป็นทำเราใดเป็นไปที่ความทุกข์ทีหมู่ปัญหาทำเราใดเป็นไปที่ อ, อ, อียดพาด รันตนตัดสินพระธรีมในแปดประการนั้นมารวมกันลงไปทค่แล้วรวมก็ไปรวมไปอันนี้เป็นสัตว์ุกคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านอกนั้นไม่ใช่จิตใจถ้าหากว่าเราสนใจจริงจิตใจเราจะต้องเป็นคนอายอายตว่ะรัวตัวความผิดรู้จิตเจ้าก่อหนูว่าสงสัยแล้วให้ทำพูด เรื่องสมาธินิเทศกับการเรื่องปัญญานิเทศเนียไปวัดเลยอันนั้นมันตัวหนังสือมันอิริโอตัปั์มันเป็นอย่างหนึ่งอยู่ในตัวหนังสือมันก็เป็นอย่างหนึ่งถ้ามันมาตั้งอยู่ในใจของเราแล้วมันก็เป็นอย่างหนึ่ง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 จอนเย็นสว่างเลยครับศึกษาตลอดขันสาร <c oughs> เข้าใจพอสมควรองของอาวัตทั้งหมดที่อยู่ในภูมิปิถฐานี้ผมเก็บไว้มดสมุดพบเสียงยาตยตลอดเวลาขมาสมิญพยามนนเข้าใจพอสมควร แก้การต่อมานี้ก็เรียกว่ามันคบอยคลายออกมันมากอะไรไปมันมากเกินไปเออมันไม่รู้จากเนื้อมันไม่รู้จากเปลือมันไม่รู้จากน้ำมันไม่รู้จกักอมันเอาไปทั้งหมดเนี่ยจิตใจก็มีปัญญาคลายออกมันหนักก็เลยพยายามสนใจในใจของเจ้าของตลอดมาจำหรับตำลาณ์นะค่อยๆทิ้งเกลียวไปด้วย นีฉะนั้นที่ผมมาอบรมพระเนียนเนี่ยผมก็ยังเอาทุกพระสิกานี่เป็นฐานจริงๆนะผมจะได้อ่านพระชิการเนี่ยทิชไคในพระวินัยเนี่ยทาบฟังนะครับอ้หลายปีครับอยู่อยู่วัดประโภคกับผมทั้งนั้นอ่านในฟังแต่ว่ามันมีประโยชน์มากนะเรื่องพระวินัยนี่เราต้องดูออกจากการฟังไปแล้วเราก็ต้องไปดู วินิจใช้เทเในฟังมเฉยเฉยเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าใจหรกอย่างเทศตอนนี้ยิ่งอยู่ในเทเนี่ยผมมันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องขณะที่ผมศึกษามาหลายปีในสิ่งบบนั้นก็ยังรู้นิดหน่อยเพราะมันคลุมเครือกันหลายอย่างมัมคลุมเครือกันบางคนก็ไม่ใส่ใจไม่สนใจ บางทีก็สนใจก็ไม่ถึงรู้ไม่ถึงเหมือนกันมันมัน ค, คลุมเครือกันสมัยนั้นต้องขึ้นธรรมะเทศอย่างน้อยก็ต้องข้าวถุนหรือ6กถุนบางทีก็ทีนึงที่สอง่งนั้นสนใจแล้วก็ฝึกไปแล้วก็เอาไปดูอ่านแล้วเอาไปดูไปวิจิตรใช้ ถ้าเรามาดูมาฟังเฉยๆนี่ผมว่าไม่เข้าใจเยียบคายที่นี้มันห่างเหินในการดูตำลับตำลามาเป็นหลายปีแล้วครับฉะนั้นความจำในชีพข้าวอต่างๆนั้นมันก็ น, น้อยลงน้อยลงน้อยลงแต่ว่ามันไม่ท่องในใจของเราน่ะมันไม่บกพร่องมันไม่ขาดคืนในใจเรามันมีเครื่องหมายอยู่ อย่างนี้ไม่ได้สงสัยอะไรอย่างนี้รู้จักปดิวางไว้โดยมากความเพียจิตจะของดีดีไปม ไ, ไม่ได้สงสัยในอวัตทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้สงสัยขนาดที่ว่าจิตของเราเน่ะมันอายแล้วเนี่ยไม่กล้าจะทําความผิดแล้วในทีรับกี่แจ่งเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์แม่แต่เล็กถ้ า, าจะาเกตนาจะฆ่ามดตัวหนึ่งอะไรเนี่ยปลวกตัวหนึ่ง นไอ้เอามือเราไปบี้มันนี่จะพูดถึงการวัตถุนะมันจะให้ตัวนของเราได้ร้ายเหมือนเขาฆ่ามันได้ไดครับขนาดหลวกกันขนาดมดกันนะมันได้มีราคาสูงเมื่อแต่ว่าบางทีก็ทํามันตายนะบางทีมันมาตายเลยนะลาคาญกับตับตายตายแล้วตายแล้วดูกิตจะคร้องก็มันจะีใจอะไรเลย ไม่หวาดหวัน่นนี่ไม่สงสัยเพราะอะไรเจตนาเรามันไม่มีเจตนาฮั้นเจตนาฮั่นมันไม่มีขีรังมาถามเจตนานี่เป็นตัวชิ้นเมื่อมันรวมงขมาจะนีเราจะทํามันตายโดยเจตนาไม่มีไม่เคยมีอย่างนี้ถึงแม้เราเดินไปเราจับไปถูกมันตาย สมัยก่อนเมื่อเรายังไม่รู้จักจิตของเรานั้นมันมันมันเป็นทุกข์ครับปรับตัวในว่าเป็นอาวัตแล้วอ่าไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาก็เป็นสันสวอลฉันรวมมันถึงเป็นอย่างเนี้ยมันเข้ามาอย่างนี้ครับก็เล้สมายกระซับกระสไซดังนั้นพระวินัยนีกิ่งเป็นขอ ง, ของกอ่อควรกับผู้กับพฤทธปฏิบัติและมีประโยชน์มากเลยที่เขาว่ามีประโยชน์ สมกับทันว่าไม่รู้สิกขาบทไหนก็ต้องให้รู้ไม่รู้ก็ต้องไตาถามท่านพอรู้ให้รู้ใรู้ท่นย้ำในตนี้นทนี่ถ้าหากว่าเราไปรู้ตามสิขาบทอยู่ข้างนอกเราจะไม่เข้าทันอบอาไว้เช่นว่าในคณะหนึ่งเราเรื่องของพระเอกร์ในสมัยก่อน ธนญ า, า์เผาอ่รพบุรีวัดเขาบงกฎวันหนึ่งก็มีมหาอโมงค์หนึ่งเป็นลูกศิษย์หลายประโยควันกันมานั่งแวก็มีโยคุยิงมาอมบอกว่าท่านหลวงพ่ อ, อนำอีจฉันไปโน้น อ, อิจฉันจะนำท่านไปโน้นท่านจะไปไหม ท่านหลวงพอเพาต่างคน เ, เฉยมหาองค์นั่นนั่งอยู่ไ ก, กลๆก็นึกว่าท่านอาจารย์เภาะไม่รู้เรือ่องไม่ได้ยินอตอนหนุงพ่อหลวงพ่อโยมพูดได้ยินมไหมได้ยินไหมท่านจะนีมนอืไปเที่ยวที่นู่นที่นูน่นได้ยินท่านของอไทยินโยมก็พูดหลวงพ่อ หลวงพ่อจะไปหรือเปล่าก็เฉยเป็นตู้นไอความเป็นจริงเนี่ยก็ได้ไม่ในเรื่องเลยนะแต่ไม่ปปไปเมื่อญาติโยมกลับไปแล้วแต่เราเองหลวงพ่อโยมเรียนถามหลวงพ่อจะไมไม่พูดโอวมหาชันรู้ไม่ปะรู้ไหมคนที่มาอยู่นี่มิผู้หญิงทังนั้น จะชวนเดินทางร่วมกันกับพระคุณจะไปนับปากเขาทำไมเขาชวนข้างเดียวนั่นก็ไม่เป็นอะไรเมื่อเราอยากจะไปเราก็ไปก็ได้พอเราไม่ได้ชวนเขาชวนข้างเดียวท่านมหาก็เลย น, นเรามันเสียคนเกิด น, น, นะญุยเดินทางร่วมกันกับชวนกัน ไปนู่นไปนี่อย่างนี้เป็นท่านไปชวนกันเดินทางร่วมกันกับผู้หญิงไม่ใช่สองก็สองมีทั้งพวกผู้หญิงดอท่านทุกสิบ ต, ตรงนั้นเันสิ่งที่สาคัญมากอะไรซึ่งก็ต่อไปอีกนะเอ ก, ก ร, ราบมันเกิดขึ้นมามากในวัดเขาวูคนเเงินมาถวายท่านนะเขาามาถวายท่านก็รับ พอเอาเศษถ่านมาท่าน็ยูนผ่าชิดหน้าออกไปครับท่านก็จับผ่าชิดหน้าเมื่อเขามาวางผ่าชิตหน้าท่านเอ่อขยับมือเข้ามาอย่างเนี้ยเห็นไหมไม่ให้ติดผ่าชิตหน้าอันนั้ะเนี่ยอย่างนี้เป็นโทษมีมาเทียนถ้าอยู่นั้นเนี่ยท่านจะยืนเนี่ยก็หนีไปเพราะในพระดีในท่า น, นว่าถ้าเราไม่ยินดีแล้วนะอืไม่ยินดีนะ ไม่บอกเขาไปได้ถ้าหากว่าเราไม่ยินดีนะถ้ า, ากว่าเราดีดนีนโยมว่านี่มีคนเกลียพระไม่บอกเขาได้ถ้าเราไม่ยินดีกินไม่บอกก็ได้ระวางลุกไปก็ลุกไปเลยถ้าเรามียินคนมีข้าวเพราะแค่ในสิ่งที่มันผิดเป็นอย่างนี้เป็นต้นถ้าท่านลุกจักนั่นไปแต่ก็ลุกไปดีดีก็วางไว้ตรงนะี้ อันนี้อาจารย์กับลูกศิษย์อยู่ด้วยกันมากั็นหลายปีแบบเครูร้รเรื่องอันนี้แง่มีข้อปฏิบัติของท่านอาจารย์เขาเล็กเไม่นอนผมก็ไปสืบแสวงหาพิจาราอยู่อะไรต่างๆแฉะนั้นพระวินัยนี่ครับมันเป็นของที่บางคนศึกษากับางคนศึกษากันศึกษนอก เพืพระบินัยสิบไปเมื่ออ่านต้องือพระบินัยไปหนปุกไปเออโผล่ขึ้นมาในตรงนั้นเออมันจะยันไปโน้นโอ้พระบิยัยมันจมันจะเอาอริยมายุง่งอืยังงั้นบวชเรนจะถูกไหมนู่นอุปชาเราจะบริสุทธิ์หูือเปล่าพระหัตถาบาทเราก็ไ ม, ม, ม, ม่มีใครสนใจในพระบินัยเลยมันจะมีนั่งรู้จักหัตถบาทกันไหมเนี่ย การสวดหนา้าอะไรจะถูกต้องหรือเปล่าอย่างนี้มันคน้นมันคิดอะไรมาไ้โบสที่เราบวชแตเนี่ยมันถูกต้องีหรือเปล่ า, ลาโบสน้น้อยอย่างนี้สงสัยที่หมดครับตกนรกเหมืนั้นเนี่ยมันหมดเพราะเราไม่รู้จักอย่างนี้ยังงั้นครูจีบิอุบายจะแก้ไขจิตใ จ, ใจของเจ้าของนี่ลาบากมากนะครับต้องใจเย็นเย็นต้องใจเย็นเย็นครับ บางทีขุนผันเกินไปก็ไม่ได้อันนี้ใจเย็นเกินไปจนไม่รับพิจารณาเหตุผลอันนี้ก็ไม่ได้ผมองหจวนผมจะสึกเกือบจะสึกแล้วครับทีเพราะว่าหิ้วตัวบุกคล้องในการกระทำในการปฏิบัติมาครูบาอาจารย์ซาละพัดอย่างร้อนนอนไม่ได้ครับบาปจริงๆมันบาปแต่ความสงสัย สงสัยทอะไรก็ยิ่งภาวนาไปยิ่งทําความเพียรไปอสงสัยที่ไหนก็ทํามันไปเรื่อยๆดันงนั้นปัญญามันก็เกิดความเปลี่ยนแปลง้ป เ, เกิดจะมารเรื่อยๆแต่ความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่รู้จักว่าจะพูดให้ใครฟังได้คือพูดก็จะไม่น่าเชื่อเปลี่ยนแปลงจนว่ามันไม่สงสัยอะไรหนึ่งเนี้ยไม่รู้มันเปลี่ยนแปลงโด ย, ยนนวิธีอะไรเนะีถ้าเราไปพูดให้คนอื่นฟังเขาก็คงจะไม่รู้เรื่อยเหมือนกัน นังนั้นจึงได้มารึกคำสอนของพระปัจจตจังเว ท, ทิตาโพวินยูหีวินยูชนรู้เฉพาะเจ้าของอย่างนี้มันก็เกิดคือมาในขณะที่มันเป็นอย่างนั้นครับเรื่องปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้ไอ้เรื่องที่เราเรยศึกษาพระธรรมวินัยมานั่ น, นก็จริงอยู่แต่ว่ามันศึกษานอกนอกระนั่นคยเดาไม่ปฏิี มาปฏิบัติจะเอาจริงอาจริงวัดสงสัยไต่หมดทุกอย่างเพราะว่าเรื่องอบัตทุกกฎนี่ไม่ไม่เคยได้คิดอะไรมันมากสมัยก่อนเมื่อเข้ามาถึงเราปฏิบัติอบัต ท, ทุกกฎนี่มีราคาเหมือนประชิกแต่ก่อนอาบัตทุกกฎนี่ไม่ไม่ไม่รู้เรื่องไม่รับฟังอะไรแค่นนะั้นเมื่อมาเข้าใจธรรมะจริงๆแล้วถึงข้อปฏิบัตินีนะอบัต ท, ทุกกฎกลายมาเป็นอาบัตประชิก สมัยก่อนน่ยอาวัตทุกคนไม่ใช่อะไรมันเป้เพนิดน้อยกินอย่างนี้เย็นๆมาแสดงอาวัตรเรื่องหายะไรนั่นนี่เนี่ยคือเพิ่งทําไปใหม่มีการแสดงอาวัตรอย่างนี้ก็เรียกว่ามันไม่มีความบริสุทธิ์ครับคือมันไม่หยุดมันไม่ตกตรงมันไม่สังบอลมันไม่ชังวนต่อไปอีกทําอีกก็เป็นอีกทําอีกก็เป็นอีกอยู่เรือร่อยๆอย่างนั้น มันก็ยังต้องรักษาแค่ต้องปฏิบัติอยู่เรื่อยมันก็ลำบากการความรู้จี่ตามเป็นจริงไม่มีการปล่อยวางมันก็ไม่มีแค้ความเป็นจริงนั่นก็หากว่า ม, มันก็พูดยากกว่ น, นี้นะอาบัตินี้ไม่จําเป็นที่จะแสดงมันแล้วออาบัตินี้ถ้าพูดตามธรรมะตามความจริงเนี่ยไม่ไม่เป็นของที่จะแสดงมันเนี่ยเพราะเห็นความบริสุทธิ์ใจเจ้าขอนั้นแหละ ไม่ได้สงสัยอะไรทั้งสิ้นอย่างนี้มันก็ขาดไปแต่นั้นในที่เรายังไม่บริสุทธิ์หรือเราสงสัยอยู่นิจิจิตญายหรือลังเลอยู่นั่นเองยังไม่บริสุทธิ์แท้ครับมันจึงจกลงไม่ได้ไม่เห็นตัวจ้าของตัวสินเราเองแต่อื่นนะถ้าเรนัยก็คือรู้เอง ม, มันรั้วอย่างที่จะให้เราพ้นจากความผิดต่ดตางๆ อันนี้ต้องพิธีพิถันหน่อยครับอันนี้มันเป็นเรื่องนืงปรินาย <c oughs> เรื่องปรินายนี่ยกล้าว่ามันมันไม่เห็นในใจของกันนี้มันก็ยากในเวลาจากวัดโทรมาหลายปีกันนะผมไปตั้งใจสระเงินนี่ครับไม่ไม่พูดไปอื่นนะพูดเงินทั้งภาษานี่ครับข้อข้อภาษานี่ยครับ ไม่ตกลุงผมก็เลยคว้าเอากระเป๋าสตางคเลยหยิบมาเลยมหาสวาารรค์นี่ข้าพยูตอยู่ในวัดในวัดไหนอ๋วอวัดละขันอยเยเคยไปกั้งผมก็เดินลงมาแบบที่หมหาเนี่ยเงินนี่ให้ท่านเป็นพยานเนี่ยผมด้วยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะไม่หยิบผมจะไม่จับจถ้าผมไม่สีกนะี่ให้ท่านเป็นพยานเนี่ผมด้วยตั้งแต่วันนี้ ผมก็ปล่อยอี่ฉนั тесь, ANG, ้นมีห้องท่าท่านเอาไปเอาไปเรียนหนังสือเถท่านมหาสาวก็อยากจะหยิบกระเป๋าตะจางอายท่านอาจารย์ท่านไม่เนที่ะจางหายน้อยเนาะแต่มีสบายใจท่านเนี่ไม่ต้องเป็นห่วงผมแล้วผมเลิกแล้วตกลงกันเนี่ยคืนนี้ตกลงแน่ครับจำเสียใจผมหนึ่งเหมือนตายจากท่านแต่เ็พนี้กันพูดอะไรก็ไม่เคยดูเรื่องกัน ท่านยังเป็นประยานอยู่ทุกวันอืไม่เคยครับไม่เคยทำํำนี่ต้องมันเคยแรกไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยอะไรต่ออะไรด้วยมาเนี่ยอะไรต่างๆล้วก็สั้งวมอยู่มันก็จะม่มีอะไรจะผิดแต่มันกลัวเสมอมนีนี่เรื่องการภารวนาทางในแล้วก็ภาวนาต่อไปเรื่อยๆส่วนนั้นเราไม่ต้องการแล้วมันอย่างขยาพิษ เราเห็นได้ว่าเอาให้คนนั่นกินมันก็ตายเขาให้สุนัขกินมันก็ตายเอาให้อะไรกินมันตายเป็นอันตรายทาั้นั้นถ้าเราเห็นชัดอย่างนั้นแม้จะยืนเดินแคนั่งจะนอนนะเราก็ไม่รู้เลยว่าจะไปกินยาพิษอันนั้นเพราะเราเห็นโทษมันอย่างชัดอย่างนี้เนี่ยโดยไม่เป็นของอยากครับอาหารการขบการฉันทีเขาถวายมาอะไรต่างๆเนะี่ย ที่มันสงสยัยที่มันเอาไม่ไม่เอาหรือจะเป็นอะไรดีเลือดประเสริเท่าไร่ก็ไม่เอาจะเลยเนี่อย่างนี้ยกง่ายๆกันว่าเขาทหม่ปลามาปลาส้มอย่างนี้ถ้าเราไปอยู่ในป่าไปเป็นชาวบ้านมาก็ปลาส้มใส่ให้เป็นหอยอันนี้เท่นั้นมเมื่อเปิดดูเป็นปลาส้มมันไม่มันไม่สุกแล้วกที่นั้น ชั้นน่ะข้าวเราเตาเปล่าดีกว่าครับมันไม่กล้ายอย่างนั้นย่างนั้นจริงบ่เรียกว่าจิตมันเห็นที่เรียกว่าพระมีในนั่นก็เรียกว่ามันก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นพระสงฆ์เราจะเอาอะไราให้ต่างๆ่เครื่องบริการจะเป็นบาตจะเป็นมีดโหนจะเป็นอะไรต่างๆ่างเมไม่เอาถ้าไม่ใช่บ่เห็นเป็นเพื่อนอันเดียวกันตาชั้นนี้กันเดียวกันไม่เอาครับทำไม คนไม่สังวรสังรวมนั้นเราจะเชื่อได้เนี่ยหนุก็ทํากิจต่างๆได้ทั้งนั้นเนี่ยก็คนไม่สังวรสังรวงมไม่เห็นเนี่ยหนุ่ก็เปลี่ยนไปได้อย่างนั้นความเห็นมันกระดึกไปอย่างนั้นนี่ฉะนั้นจึงเป็นเหตุมันจึงเป็นเหตุนในพวกจะหาทางนี้ทางไหมองหมอง ในทันท่า น, นั้นไม่เล็นกับเพื่อนไม่เข้าสังคบไม่อะไรต่อในรุ่นนะก็เฉยดอเอถ้าพลทั้งคงกันที่ตายเถอะบ ท, ทีจะตายทังคบมาเดียวบปนั่นแหละตายที่สังคบนึกไปในใจอย่างนี้อย่างนี้ครับอยูด้วยมาในความอดทนมากที่สุดทำมา อย่าเป็นคนพูดน้อยถ้าใครมาพูดก้าว่ายถึงการปฏิบัติเนี่ยเขาเฉยๆทาไมมันเฉคือพูดเดี๋ยวเขาก็ไม่ไปรู้จักไม่รู้ปฏิบัติบางคนยมมอมยืนถางว่าเนี่ยมีทุกข์ากเนี้ไปดูอะไเนี่ยอย่างก็จิตวิญญาณทราบตัวไปก็ได้อย่าไปฟังกันเอาใจยามกันเลยอย่าไปพูดกนะันอยากกันรู้เอาใจยาำทำให้มันเฉยาม พเพราะออยอมดูจากพระเป็นไหมนิพพานตายพระยอมเห็นว่าพระเป็นนิพพานตายเนี่ยไม่เคว่าชุราจะเรียกว่าดั่หอมมันจะเป็นดั่หอมนันนี่จะยอมตอนนั้นแหลยอยากจะดินเหล้าแต่ว่าดั่งหอมแล้วพอไปดื่มก็กกกเป็นว่ามันจังนั้นไม่รู้เล่ามันเป็นอย่างนี้ครับตรงเนะ อย่างนั้นเขามีในมีลําบากแต่ต้องเป็นคนหมักน้อยต้องเป็นคนสันโดษและต้องเป็นคนเห็นเห็นถูกจริงๆครับคนทั่นเขาไปทำคนนี้เขาก็ไปทําไม่จะทำกัญญ า, าไม่เอาผมไม่อาอไปอยู่สระบุรีเราเข้าไปอยู่พักอยกัวัดบ้านเขาอาจารย์ต น, นั่นก็เสมอพรรษาใคร้ายตอนนี้ ก็ไปบิณฑบาดมาร่วมกันมาบาชมาตั้งโยมมาปิดตัวมาปิดตัวมาขึ้นบนเลามาครั้งก็ไปเอามาเอไปวางครัก็ไปเอามาไปเอามามารวบมันก็มาเปิดเปิดเป็ตนตเลัวนี้จัดเป็นตัวเรียงกันเรียงกันยาวไปตรงโน้นเนี่ยวครั้งก็ไปรับประเพณแล้วเอ้ยไอ้พระก็เอานิ้วจดเป็นตัวทงนี้เป็นตัวนั้นไปตรงโน้น โยมเขาก็าเอามือจุดไปตัวเท่งนั้นเอาแล้วพอลอยเนือกันไปก็จับมาถอยไปให้พระฉันไปกับผมทั้งห้าองค์ประมาณทั้งหองค์ไม่ฉันเลยเอาบาตรเ ท, ท่านั้นไปวินทาบาทมามีแต่ข้าวนั่งเรตรัวไวาฉันแค่ข้าวเนีน่ไม่มีไสข้าวฉันข้าวอยาจะไปพูดที่นั่นก็ยากมันเป็นเห่อแล้วก็อยู่เรื่อยๆวันหนึ่งก็ท่านอาจารย์ท่านเดือดร้อนในกัรช่วย คงจะมีลูกศิษย์ถึงพูดเ อ, องครับถ้าอาจนรย์ตุปาเราไม่ฉันไม่ฉันไม่ฉันอาหารโดยมนรู้ว่าเป็นไงจะมีความกระตอ้อนคือผมจะมีมีมีเวลาะจะอยู่เป็นนั้นหลายวันจําเป็นจะต้องไปกราบเรียนท่านชมพานวัดผมมาว่าท่านอาจารย์ผมขออนุตตรการขาอโอกาสเลยนะในเวลานี้ผมมีธุระที่จะพักซึ่งวรรเมท่านอยู่สักหลายวัน แต่กาอยู่ทีิวัดนี้บางทีพระอาจารย์จะระแวงระวังหลายอย่างของท่า น, นทางพระพิสุสังมณีทุกองเพราะทําไมผมจะไม่ฉันอาหารที่โยามาบอกมาก ม, ม, มันเดือนมีอะไรให้มาเรื่อยๆรัสดุไปเื่อยๆไม่ฉันอยู่ร้านวั น, นเป็นอาทิตย์เด็กก็เห็นผมจะขอเราเรียนให้ท่านอาจารย์ฟังกราบเรียนมันให้มีอะไรผมจะไม่มีอะไร ที่ผมไม่ฉันนั่นน่ะผมในรับการประพฤติปฏิบัติมานี่นานแล้วการรับประเพณเนี่ยที่โยมเามาวางไว้พระไปเปิดปีโตขายเปิดปีโตแล้วก็ขับปโตซ้อนเอามาวางไว้ได้วก็ให้เดินมาถวายอันนี้ผมเห็นว่ามันผิดครับมันเป็นเนี่ยมันเป็นถูปะกินนะทุกขหมดแล้ว คือไปรูปไปคําเปแก้ต้องยังไม่เลยประเด็หนึ่งกับมันเสียหายกันนั้นการพระวินัยกอบพระทุกองค์ฉันเป็นนวัดหมดเลยข้อนี้เองครับไม่ใช่รังเกลียดใครทั้งนั้นที่ผมมาเรียนท่านอาจารย์บันนี้ก็งนี้ใจว่าจะห้ามให้ลูกศิษย์ทุกหาดันทำไม่ใช่ผมมาเล่าความในสุตรใหฟังเพราะว่าผมจะมีเวลายอยู่ไปอยู่ไปนี่หลายวันมันก็ย่อมือกันชาทุกคาป ร, รีมากทีเดียว ผมยังไม่เคยเห็นพระครับไม่เคยเห็นพระรักษ า, าที่อวัตตุโคตนี่ในฉนบุรีนี้ไม่มีแล้วครับมันจะมีกันนอกจังหวัดฉนบุรีขออนุทนาสาธุการหนครับผมไม่มีอะไรดีแล้วท่านเเท่น้นมาก็เขามาคมุ้งเจ้าไปพิทวาลแล้วก็อามารวมกนะันโน่นซัไม่ใกล้เลยที มีแ่โยนเขามาถวายพระที่มีชันจะอ่านแต่วันนั้นมาพระเนนทั้งหมดกลัวแลยท่าจะยืนจะเดินจะหนังแม่เขาลนักากเขาคับแค่ใจทั้งหมดเขาเคยเปิดเผยุดเผยไปเขาเข้าใจกันดีทุกคนรู้สิว่าพระเนนที่นั่งกลัวมากเข้าในกติกานิดหนึ่งมันมีเสียสองวันสามวันผมพยายามดีกับเขาอะไรกลัวอายมันนี่มีมันเป็นอย่างนี้ครับ คือมันไม่ยอมครับจะต้องไปพูดอะไรกันมีความรู้เรื่องก็ไม่มีอะไรจริงๆครับให้พูดว่าเราเรามราฉันจังหารไม่พอเราอยากอาหารไม่ไม่ฮะนี่คือพรอะไรเราไม่เคยฉันจังหารมาเกตวันแตรวันเราเคยมาแล้วสองวันสามวันเราเคยมาแล้วอันนี้มีข้าวเปล่าทานมันไม่ตายครับที่มันมีกำลังที่เราปฏิบัติที่รับ อร์วัดรับทำหน้าที่ในปฏิบัติได้แต่คิดว่าทำตามพระพุทธเจ้าองค์เยอะขนั้นแหละไปตรงนั้นใครทำอย่างนี้ไปอย่างนี้ก็ทำอย่างนีไม่เคยทำแม่ดิฉันใครไม่เอาไม่เคยเอานะไม่เอานพยาที่สุดอันนี้ครับอันนี้ขอแปลว่ามันรักตัวเองรักครอบพระพุทธปฏิบัติ ดังนั้นทวีนายนี่นะน่าจะมาอ่านสู่กันฟังกอกแตกท้ายทะเลว่าความมันแลบอนั้นถ้าเราจะเข้าใจ an, like, <ơn S 2> จริงๆนะเราจะมีจัตตาออกได้ต้องไปอ่านดูแล like, pues ้วไปพิจารณาหลักล <ile bags. S 1> <mm ิบใช้อะไรต่างๆที่ว่าฟังธรรมมันยิ่งแกล้งเช่นบาทวันนี้พูดถึงเรื่องบาทพูดถึงเรื่องบาทพูดถึงเรื่องจีวรก็พูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องยา นี่บาดถ้าบาดเล้าจะไม่ถึงห้าแหงสิบแหงแหงนึสองนิ้วมันแหงนะมันแตกมันแหงสองน่สองห้าเป็นสิบยังไม่ถึงสิบนิ้วนี่ยังไม่ถึงสิบเนี่ว้าห้าแหงแหงหนึ่งสองนิ้นวเป็นบาดเล้าสิบนิ้ ขาบาทของเรายังไม่ถึงเล่าไมถึงห้าแหงไม่ถึงสิบยี่ไปขอบาทคนอื่นเป็นอาวัตนอกจากไปขอบาทกับญาติกับคนปรารถนาไม่เป็นอาวัตทําไมได้องเป็นงั้นละ่ะนี่มีไม่ค่อยสอบใจนี่นี่ก็ไม่ค่อยสนใจการบาทนั้นมันมีสามขนาดด้วยบาทคู่จัก อธิษฐา น, นขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดกลางนี่จัดเป็นส่วนหที่ทั้งบาทขนาดเล็กบาทขนาดใหญ่บาทขนาดกลางนั้นยังมาจัดออกไปอีกสิ้นละสามละสามเป็นบาทเก้าใบเลยบาทขนาดใหญ่อย่างใหญ่ บาดขนาดใหญ่อย <lad> <sinus>. ่างกลางบาดขนาดใหญ่อย <ged> ่างเล็กนี่เป็นสามใบเลยบาดขนาดกลางอย่างใหญ่บาดขนาดกลางอย่างกลางบาดขนาดกลางอย่างเล็กนี่มีบาดที่เราใช้กันนี่ที่มีบาดขนาดเล็กอย่างใหญ่บาดขนาดเล็กอย่างกลาง บาทขนาดเล็กอย่างเล็กเป็นเก้าใบนี่ที่เราใช้บาทนาี้ะไรกันด้ยใช้บาทนี้มันเก้าใบแล้วที่บาทที่ควรอธิษฐานใช่ได้นะี่เลยบาทเราที่ทิพย์ที่มีคนใชนะ้บาทขนาดใหญ่อย่างใหญ่ทนพยเลยอธิษฐานไม่ขึ้นบาทขนาดเล็กอย่างเล็กทิพยเลยแล้วบาทเจ็ดใบแปดใบเก้าใบ ทิศใบ เ, เลือาบาทแปดใบเจ็ดใบสามสามเ้าที่ไปสองใบที่ไปเพราะมันใหญ่เกินไปมันเล็กเกินไปที่ตรงนี้ถ้าเราเก็บไว้เป็นต้นก็ไม่เป็นอวัเพราว่ามันเกินขนาดแล้วมันจัดเป็นบาทง่นายนิดนึง ฉะนนั่ น, นการจี่การทับในบาทเยอะเกินในบาทผบริลานอย่างนี้ถ้าเว่าาไปขอก่อพี่สาวเราน้องสาวเราพ่อของเราแม่ของเราเนี่นยก็มีกว่าญาติของเรานะี่ยยุทาสตรธรรมนิกเนี่ยศาสนาธรมนิกบอพระในนั่นนี่มีเดียกว่าควรจะขอนะพี่สะภ้ายแล้วก็ขอไม่ได้พี่เคยก็ขอไม่ได้ ไม่เคยเป็น ญ, ญาติในกรณีใดอย่างนี้มันหนักครับอันนี้ดังนั้นบริการอะไรจัดแย่ก็แต้องที่เจรนาอยู่อไม่กินอะไรเนี่ยที่บาทนี้ก็เรียกว่าเอามาแล้วก็ต้องระบมระงมอะไรระบมระบมไปที่เรีว่าระบมบาทห้าไฟ บาทห้าไฟคือทำไมถึงทำหลายไฟคือระเบมในมันอยู่บาทเหล่า น, นี้ก็ถ้าเราเอามาใช้เฉยๆเนี่ยเฉยๆครับชส้นหิมมันขึ้นบาทนี่จะอธิษฐานกนน็ไม่ได้ไม่เป็นบาทรแล้ ว, ลวเป็นภาชน ะ, ะนบาทระเบิดในห้าไฟห้าไฟก็ประมาณเรียกว่าเราระเบิมบาทกันเนี่ยหาฟืนมาเท่าประมาณสักอบ อ่าหารข้าวสุกสักหม้อหนึ่งมีเป็นไฟโดยประมาณนะแล้วก็จับมาสามส่วนสามส่วนสามส่วนไปส่วนละส่วนละส่วนเป็นห้าส่วนกองกันไว้แล้วเอาบาทตเอาบาตนั่นแล้วรู้เลขเอาบาตจะควบลงคัร์บให้สะอาดแล้เอาควบลงไปเอาได้ลองขึ้นเห็เป็นดินจี่เอาหม้อดินของเราที่สะอาดหรือโลหะอะไรต่างๆประเดี่ยวมันไม่จะรู้ ตัวความเป็นจริงก็เรียกว่าหม้อมะพอดีที่เอามาครอบลงไปครอบลงไปแล้วก็ปิดไม่ให้มันไม่ให้มันมีดูออกปิดเอาไม้ไผ่เราตัดแค่นี้นะเป็นเรียนรอบเรียนนอกจักหนาพอที่ปวดนะเโรยมากกระบดมบาดก็รวยบาดในในรูแล้วไม่ไปบนดในรูพ้นเอาไฟจุดเข้าไป มันจุดเข้าไปอยากจะให้มันขาวสะอาดก็หาเอาฟางเขามาใส่เข้าไปอยากให้มันสีเขียวเป็นจนก็เอาใบไม้สดๆนี่ค่ะโยประมางอย่างใบกระบกเนี่ยเอามเข้าไปเมื่อเมื่ออยมันยุบลงแล้วน้ำออยู่ตรงนั้นเปิดขึ้นมามันก็สีเขียวแม่เปิดขึ้นมาก็สีขาวเป้นบาดที่สะอาดบาที่โบมแล้วทีนี่น้ําอะไรต่างๆมันจะไม่มีแทรกซึมเข้าไปในที่นั้น มันเป็นคนละชั้นแต่ถ้าก็เปลือกไข่เคยเคยเปลือกไข่เราจะเอาตะนับตกกะหินตะสนตะหินยังไงมันก็ไวม่ไม่เป็นอะไรนะแต่มันรื่นมันแข็งเก่งกรอบมากที่สุดๆอะไรไอ้พวกคือพวกพริกพวกเข็มจะซูมทราบก็บไปในบาด ไ, ได้ง่ายเหยเมื่อนอานั่าในใบบัวเนี่ยมแมันกรอกไปกรอกคว่าไม่ให้กรอบไปในเนื้อใบบัว อย่างนั้นน้ําปลาน้ า, รร า, นาเข็มน้ําแกนเทกไปแล้วมันก็กรอกไปกรอกมาถ้าหากว่าบาต ท, ที่เราไม่ได้ระ บ, บนุนโอ้โหเหม็นน้ำมันมันเหม็นนะมันื่อไปนะถ้าซึมมาไปน้ำ อ, อีกเราเก็บไว้อีกนะวันต่อไปไปวิทวัดวัดฌานอีกมีกลิ่นออกมาอีกเหม็นนะเป็นสันริทิสอะไรเอาอย่างนี้นะครับเป็นสันริทิสนณามิตรเนี่ย ธรรมเป็นานามมีเป็นระบาดอีกนซะและมันเป็นอย่างนั้นเลยดังนั้นกรรมฐ า, านเนี่ยบาลเพื่อต้องจะพายเอาเองต้องจีบเอาเองต้องเช็ดเอาเองโยมทั้งหลายนี่จะปล่อยให้คนโยมทั้งหลายทำไม่เอานะถ้าเขารู้จักปรี น, นัยนะไม่รู้เรื่องบาป ท, ที่มันกรอบๆเห็นนั่นนะเราไปกระทบกับไม้นี่เดียกับแพร่แตกเแหนไม่แตก เมื่อแต่ขนาดไหนก็ เ, เกิดสิ่งมือนั้นะคุกใส่ไม่ไนดน้เป็นไงดูบาทผม ไ, ไนี่ยจแน่ใจบาทผมีบาดยาเหลี่ยมหรือบาทไทยสีบลูได้นะีน่ไม่ต้องทำอะไรยจนะต้องให้คนรักษาดีที่สุดรักษาบาดนี่นะยาวบาดไปแผนไว้ยาวบาด ไ, ไ, ไปห้อย้อย เมื่อเราจะเทศบาทย่าไปกดบาทใส่ของแข็งใส่หิหนอืใส่ไม้นะใสก้อนหินใสแข่งเอาไปกระทุไม่ได้ไม่เอาของแข็งวางลงในบาทแมวอะไรวางตรงี้บาทเคื่ออะไรตัวมันจะแตกกั่นเองมันจะเล้าเนี่ยเป็นต้นการล้างบาทเทศบา ท, ทนี้กดทำเลยมันดีที่สุดเลยเนี่ยต้อง เช็ดมันแห้งถ้ามันมีแดดก็เอาไปลุดแดดสัพักหนึ่งอยให้มันนอนเกินไปอืย่าให้มันนอนเกินไ ป, ใ ห, นนนไปให้มันแห้งจาดอย่าเอาบาตมีน้ําเปียกๆไปตากแดดเนี่ยเก็บั่วยขาวหรือเก็บไวฟใส่กระบอบาตอย่าไปคุยกันอย่าไปพูดเรื่องอืง่นอย่าไปคุยกัน ถ้าคุยกันเรื่องอื่นเรื่องบาดบูดมือตังอีเนียสย า, าบาดวางบนตักยาวบาดวางบนร่มนี่ออย่างร่มก็ต้านอาวาดวางหรืนั่งนั่งขันจะเอาบาดมาวางบนตักขันมันก็ไม่ได้ครับอธิบายเรื่องบาดนี่อูก็ทั่งคืนเลยครับร้ายแตตานที่สุดเลยที่เก็บบาด ท, ที่ไม่บาดจะต้องรู้จักไปวางเหนือศของแขนนี่นไม่ได้ อย่างนั้นการาบาดเนี่ยคนรักษาครูอาจารย์ท่านจะต้องเป็นคนที่ทั้งผันรักษาจับบาดจับบาดไม่กระทบอะไรทานงนั้นทำไมมันยากถ้ามันถ้ามันแตกเล้วยนะไปหาืนมาตั้งเปียนเปลี่ยนจะไปเอาที่ไหนก็นำบาปไปกคนหื่นเขามันก็ยาก มันระบาดที่ระบบบาทใช้มันขึ้นสนิมอีกเป็นต้นก็เป็นระบบใหม่ปีต่อไประบบไปด้อยจนกว่ามันอยู่เลยมันอยู่มันไม่ขึ้นสนิมเนี่ยมันจะ ม, มีอะไรเลยไปใช้ของมาใส่กันด้วยนี่เรียกว่าบาตไม่ใช่มาบาตเนี่ยเราฉันแล้วตั้งแตที่เกลื่อนตาดไม่ได้จะไปห้อยคนใหม่ไม่ได้เอาไปบนโต๊ะไม่ไดเอาไปบนเตียงไม่ได้ เอาไว้ที่ไหนไม่ได้งนั้นต้องเก็บไว้สีใส้เตียงเก็บไว้บนกระดีเราเอาเก็บไว้ต้องเปิดฟ้าบาดออกไว้ทําไมนะเอาฟ้าบาดไปอุดนะ่ะไอค้ครีมอะไรมันมาอู่อู่ตรงนั้นตอนเจ้ามาเปิดตัวลเม็นเนี่ยเนี่ยอย่างนั้นตอนเช้ามาเป็เเาาเปนต้นท่นนานจะเอาน้ำที่สะอาดกรอกแล้วกรองแล้วเทใส่บาดกรอบไปกรอกรอมาเมื่อกรอกเสร็จแล้วกรอบให้มันสะอาด เอามือเราลูบเช็ดอย่าเอาผ้าลูบเช็ดมือกรอกแล้วบางคนไม่รู้ใจจะ น, นึกว่าล้างแล้วอะเอาน้ําเอาผ้ามาเช็ดทาวผ้ามาเช็ดแต่ผ้าแล้วมันขนผ้าเลยเหไหมน่ะเอาไปเช็ดในบาทไอข้ขนผ้านี่ยนะมันเป็นประถูนมันก็ติดในบาทอีกแล้วนะนี่กับ ร, รับจ้งทานมาอีกเป็นต้นนะมันก็พลไปอีกเรืองอะไของที่มันจะประเสธ น, นั้นมันมากครับเรื่องอันนี้อืมการรักษาบาทนนมาันมากมันมากสองมือม ละเอยดหลายอย่างอ่านี่ยังเป็นโทษทั้งเรื่องแบบเรื่องสันนิธิยังยานเนยใสในก้อนน้ำมันน้ำพึ่งน้ำมอยรับไว้เจ็ดวันเพื่อเป็นยานะรับไว้เพื่อเป็นอาหารคืนเดียวเท่านั้นเป็นสันนิทิย์เลยมันเป็นอาหารนีถ้ารับไว้เป็นยาหนึ่งเจ็ดวันถ้าได้เจ็ดวันนเป็นต้นวันนั้นชันอาหารไหนชันเป็นอาหารวันนั้นเช็นว่า อาาน้ำอ้อยนะก็าวหอปลาสติกมานะเข้ามาถวาย ER แล้วก็รับเลยตอนเช้ารับโดยไอติคโอนฉันแล้วก็ฉันเป็นอาหารนะ้อย่าให้มันโอนน้ำมิตรนะ <S <S อย่าให้มันโอนไอข้าวน้าข้าวอย่าให้มันโอนไอที่มันไม่โอนแต่ก็เก็ <S <S เบไว้เก็บไม้กระตัง้งใจงว่าเก็บไม้ตัดกันเป็นยาไอที่เราเก็บไว้นี่ยอย่าไปฉันแต่อ ย, อย่างอื่นนะถ้าฉันกะเกลือก็ได้ฉันกะพริกก็ได้นะอย่ไปทําไปฉันกะข้าว คนน้นมิดไม่นายเป็นสันนิธิโรติยะเพราะว่ายานี่ทนายมีอนุอายุเจ็ดวันไอนทีมียี่กองนั้นก็คือมีพริกมีเกลือนเป็นของยุ่งกว่าจะเก็บไว้เมื่อไรก็ได้แต่ทําเป็นยานะต้องเกลือใส้กระปุกไว้ในในในกระดีเรานะ่ะมันเป็นยาเก็บไว้ก็ต้องทําเป็นยาเรือ่อยไปอืม ถ้าเราทำถ้าเอาเอาไปใส่อาหารหูหายแต่เกิดเป็นขันนิพิธอีกแล้วไม่ได้นี่มันเป็นเป็นนั้นอันนี้เราเคราวรระวังกันเพื่ออะไรนะนำ้ำตาลบางทีก็หมื่นกิโลก็ช่งฉันไม่เต็หมดเท่านั้นเนี่ยไม่รู้หรอกอย่างนี้มันเราพร่องกันหลายที่เกิน อ, อย่างนี้ฉะนั้นพระกรรมฐานนั้นสันติงระวังบาทระวังบริทานของท่านมากที่สุดเเนะี่ยเรื่องสันนิธินี้ อันโตุทธะอันโตรประการสามาปการเนี่ยดูสิ เ, เก็บเองก็ดีผูช่องแน่เนเองไงคนอื่นหูก็ดีอย่างนี้เนยเรื่องอันโตุทธะอันโตรประกาศเนี่ยเราไปค่อยๆนะอย่างเขาจ้องแกงขึ้นมาอย่างนี้ถ้าจะเอาไม้ไปนคนหรือเอาไปปาดฟองแล้วหูข้าวที่ น, เ ป, น, ปปนเป็นรุปปัจจินนาไปรูปกรรมอย่างคนไม้ตามวัดอแต่มันมีอยู่อ่ะ ไอ้ขนุนสเกลอะไรต่างๆาเกิดเราถ้าไปจับแม่สวยตะเกินเนอะหยากยาวไปสัน่างงานหนึ่งโน้นหนึ่งนี่มาไฟ่าแยวที่มันเกิอดอยัางนกล้วยอะไรเนี่ยไปรูปคล้ำไม่ได้เนี่ไม่ได้ยิ่งแล้วตอนยิ่งยิ่งเขาเอาหม้อแกงมาถวายกินนะให้เราไปจับเคลื่อนอย่างนี้ถ้าเราไปรูปเฉยๆอย่างนี้นะตัวเราไปจําฉันได้อยู่บอก ถ้าเอาเครื่อนมาจากนี้จากที่เอาหม้อแกงมาวางไว้ตรงนี้นะตัวเราก็ฉันไม่ได้นะครับฉันได้แต่พระอื่นแล้วเจ้าของขีดจับนี้ฉันได้อันนี้ท่านะอุคขิตเคลื่อนจากที่นอกจากเฉยๆมันเป็นทุปปกข์กินนะรลูกครัมเขาเรียกว่าสั้งสมชั่ว น, นี่มันหลายอย่างที่เรื่องนี้รับอยู่นวะันนี้หลายอย่างอยู่ในนี้ไายถ้าเราไม่เรียนรู้ถ้าปิดไม่ให้รายะเอียดไม่รู้สิ่งทางไหน น, ะนั้นคือเรื่องคนใน เนี่ยเรื่องยุ่งยานเนี่ยสมัยนี้ยงิงยิงยาต่างๆนะที่เขาทามาเนี่ยเขาเกี่ยวกับชั้นได้อะไรตัวอะไรเขาเอามาเนะยเป็นคัฟฟี่เป็นอะไรต่างๆก็ไม่รู้เรื่องมันทํามาจากอะไรนะเฮ้ยเขาทำมาจากอะไรถ้าว่าชันได้เนี่ยก็ฉั้นตันเตนเนี่ยน่ไม่รู้ว่ามันมาจากแม่ทัพไหนไม่ไม่ถ้าใคไป้าพบดูเรื่องมันก็กระชันสบาย บางคนก็ไม่ไม่เห็นว่ามันฉันได้แต่ฉันเล้บางคนก็สงสัยถามว่ามันทําด้วยอะไรอย่างนี้นะนะไตยุทธิยาวันหนึ่งเนี่ยตีหนึ่งเน่ยเข้ามาชมวันจีนฉันกันอืมมารวมกันนี่โอวันจีนเด็กๆมันไปตรงกันไม่รู้เรื่องผมก็ไปฉันไปไปก็มาฉันนะฉันก็พ่าฉันก็เต็มผมก็ไปฉันกันสักฉันก็ไปตอนเย็นนี้อ้า อันนี้มันวันนี้มันทําไมน้ําร้อนมันอร่อยเะเกินด้วยใครใครชงอ่ะใครชงกาแฟนี่หอมก็ชงชงอวันตนตินครับอโอวันตินก็ไข่แดงเท่านั้นแหี่นะนี่ไอคนที่ไม่รู้เรื่องจะฉันกันไปด้วยนึกว่าเป็นหยาเลยนะแเราไปฉันดูก็รู้เรื่องาอาจารย์สฉลวยรองตรงที่เขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้น็ตนี่ครับ ถ้าเราไม่สังวรสังขวงเอ๊ะโอวันตินกอดีนมก็ดีอะไรก็ดีฉันแล้วเนี่ยอืมมนฉันแต่ทั้ง น, บบนั้นแนะ่ะเป็นของทำไมถึงฉันอาจารย์ฉันก็กำลังดูแต่นคนบทก่อนฉันก็มองฉันไปเลยในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ควรเลยอันนี้ครับ ม, มันไม่ควรมันไม่ควรฉันแหะอย่างนี้อือย่างก็ถวายมาตอนบ่ายนำตรงนาตาลก็ถวายกอนรับอีกั้งเรื่อให้คนอื่นแล้วทนะั้ ให้เนีให้ยมให้ยังนก็ได้ถ้าเราเล่าไปจะไปชันนั่นอีกคนก็เป็นอาหารนี่ว่าไปกินชั้นยาดก็ได้อย่างนั้งของคนที่เป็นอาหา ร, รเาา น, รนี่ยมันขวดรางวังมันสมนุนโยคนทําไว่ายตา่างร า, างวังบางบางทีมัาจะาคนมันจะไม่ทว้เอามือไปแต้มเอามือมาแตงราวังคนไั้นก็ได้ มึงก็จะไว้คนจะไว้แต่เป็นต้นเก็บไว้ตอนเช้าออกไปฉันเนางมันแยกแตงกันแด๊บไม่รู้เรื่องกันดีนีรมันหลายอย่างครับถ้าไม่รักษาภาวินัยถ้าไม่ภาวนาแต่ถ้าคนภาวนาอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วมันต้องแยกกันเลยมันแยกกันครับมันไปด้กันไหมนะอันนี้ก็เป็นของที่สําคัญผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่ไก่อนนะเป็นครูเป็นอาจารย์เขสอนมาอยู่องั้นแต่เราไม่ทำปฏิบัตินะ เสียอดครับมันเสียเมื่อมาพิจารณาดีๆโห้ยมันไกลกันโทรฟ้ากันดินในความเห็นของเรา น, ะน่ะนี่ดังนั้นคนเราจะไปตั้งริปัสนานะำนาทำกรรมฐานอยู่ในป่านี่ครับยาเลยถ้าไม่รู้เรื่องจะไปเลยครับยิ่งร้ายเลยยิ่งร้ายไปทําอะไรอยู่ในป่าแต่เราก็เข้าใจว่าไปอยู่ในป่าที่สุภิเนื้อในของการปฏิบัตินั้นเข้ามาดูเขารู้จักเขารู้จัก บางคนก็ไปหาดย่าเอาเองบางคนก็ไปทําอะไรเองสาหรับพาดอย่างรุ่นวายพอเขาทิ่รับรู้รับการประพฤติปฏิบัติ เ, เขาไม่เอาแล้วก็มองดูเขาหลีไม่เอาครับไม่เจริญอย่างงั้นมันไม่เจริญครับจะไปตั้งอยู่ฝาที่สงบขนาดไหนมันกว่าเจริญไม่ได้ครับมันเจริญไหมคือมันทําไม่ถูกเห็นท่านอยู่ฝาก็เลยไปทําอยู่ป่ากับท่านมันก็ไม่เหมือนเนี่ย หงกีวอนก็ไม่เหมือนทีอีวอนก็ไม่เหมือนกันตรงอะไรมันก็ไม่เหมือนเท่านั้นครับคือมันไมได้ฝึกไม่ได้หันนั่นะเสียสีไม่ค่อยจะเป็ี่นครับเป็นก็เป็นดัตติโคสนากัรตามโลกเขามันก็โฆษณาฉายาอะ้รนะเนะ่ยนครับ่มั น, น, น, มนมยิ่งไปกว่านั้นนะให้คนปฏิบัติเห็นสิ่งทำมีศรัทธารินจริงเลย ดังนั้นคนที่ไปตั้งวิปัสสนาใหม่ๆไปเรียนรู้มาวิธีกับไปเรียนไปสอนจิตมันไม่เป็นครับจิตมันไม่เป็นเลี้ยว่็เลิกแะ้นั่พังเล้วนั้นเดือดร้อนดังนั้นหลักของปณินัยนี่มันจะเป็นอุเทศหนึ่งก็ดีกว่ามันอยู่ในมรรคดังนั้นเนี่ยดังนั้นพวกเราเนี่ยควรก็ไม่ใี่ครั้งแรกไม่ต้องอะไรมากดูแล้วก็วาดแล้วนั่นเนี่ยเขาว่าอะไรกันบั่ง กันเป็นยังไงศึกษาสนใจและปปิยนาไน่ไปจับไวนน้นานๆตขอมากราบกุวาจย์ตรงนั้นมันเป็นยังไงอะไรตอนอะไรอะไรเนี่ย